ในช่วงปลาย 2 <c oughs> ของภาค นะภาค 6 ที่อุดรธานีแล้ว บุกเบือกิจจักมากขึ้นและก็ทํา นะ 2 เข้าลงทํางานชุม เอ่อเป็นน้ำพระแทบเจ้าว่าๆ <c oughs> จะอนุญาติหรือไม่อนุญาติเนี่ยขึ้นอยู่ก็ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแล้วเพราะว่ามาจากพระเจ้าองค์เดียวกันเมื่อมาดู 7 ก็จะออก นะในภาพรวมการเก็บขยะชาย <c oughs> เราจําเป็นต้องเต็มที่สําหรับ <c oughs> ภายใต้ กปท. กปท. มาจากกรรมการประสานงานโปรเตสแตนต์ จนทางถึงพรีเซนต์งานนี้ไปถึงเอ่อระดับโลก แล้วก็เดินทางมาต่างประเทศเยอะเพราะ ทำงานจนสุดปี 2030 อยากจะ 10% ปี 2020 เอา 2, 20, เอ 2 ล้าน กับใน in peace มีเปรียบร้อยโดย 3 ชั่วโมงผมกําลังเดินทางไปเอ่อเชียงราย 3 ชั่วโมงอ่ะๆก็ สุดท้ายสักถามหมอก็มีข่าวใหม่แล้วอาจารย์อุศักดิ์เอ่อพักสงบ นะฮะรับท่านสบายนะฮะท่านสบายผมเอารูปภาพท่าน น่าคิดว่าคงไม่ไม่ไม่ไม่คิดฝันนะไม่คิดฝัน นะครับทางทุกโลกก็ได้แต่ จึงไม่สามารถจะรักษาได้ทันนะฮะ nyt he ovat hyviä poikia. Nyt he ovat he ovat huoneessa. Nyt he ovat huoneessa. on he ovat huoneessa. Nyt he ovat huoneessa. Nyt he ovat huoneessa. ผมเนื่องจากเป็นประธานของเพื่อนอิสมาเอลควรจะไป นะซึ่งกรรมการปฏิหารมหาปอ่าอังคับ 2 เรื่อง ทำไมต้องเต็มที่กับพระคริสต์ทำทำทำทำ 2 เรา บทที่ 4 ข้อ 6 ถึงข้อ 8, 8 ได้กล่าวบอกว่าเพราะว่าข้าพเจ้า <c oughs> จะเป็นของข้าพเจ้าซึ่งองค์พระเจ้าผู้ เป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่า ขอบพระคุณทรงในนามพระเยซูเจ้าอาเมน เพราะข้าพเจ้านั้นจะตกเป็นเครื่องบูชาอยู่แล้วเราต้อง <c oughs> ที่จะอํานาจการมัสการพระองค์นั้นคือสิ่งสําคัญเรา <c oughs> ที่เราต้องเต็มที่กับพระคริสต์ถ้า เหมือนกับรับใช้พระเจ้ากับรับใช้พระเจ้าแม้ว่าอาชีพ จะทําให้คนเห็นมองเห็นนะครับเมื่อวานมีโอกาสคุยกับคนหนึ่งผมว่าเค้า แต่หลังเจิดๆทั้งห้องเนี่ยนะ <c oughs> แต่ขณะเดียวมีเยอะการถูกหักหลังกันจากวงเล่ามี ไม่ใช่วงเล่านะๆเนี่ยแต่ๆแล้วไม่ใช่นะฮะมันแค่ แล้วเมื่อมีอะไรคุยเนี่ยมันมีความเกรงอกเกรงใจแล้วก็อ่าช่วยเหลือกันตรงนี้ไม่ใช่ตรงนู้นไม่ใช่ตรงนู้นแล้วนี่มีความสับสนที่เกิดขึ้นก็เลยคุยเค้าในคืนรัตนะ <coughs> 1 นั้นก็หนุนแจ้งว่าให้ และตอนนั้นคุณมีโอกาสเป็นพยานในชีวิตนั้นคุณมีโอกาสที่จะได้พูดเรื่องพระเจ้าตามภาวะตามความเหมาะสม ไม่ต้องหาถ้าคุณมีเวลาอยู่แล้ว ยกเว้นพระเจ้าทรงเรียกผู้กัน แต่เป้าหมายที่พระเยซูกลับเช็ดเจ้า แต่แบ่งวางกันเอ่อสรรเสริญพระเจ้าชื่นชมยิน มีเวลาหรือเนียมมีโอกาสมาช่วยงาน ซึ่งองค์พระพุทธเจ้าผู้พิพากษาชอบ มุ่งกุดแห่งความชอบธรรมจะเป็น ก็เป็นสิ่งที่ถามเราคิดแวบเดียวไปแวบเดียว แล้วผมก็ตอบไปใจว่าแล้วแต่พระเจ้าทุก แต่ในโลกนี้เราต้องเต็มที่ เพราะเรามีประสบการณ์กับพระเจ้าในการ แต่ถ้าเราโอกาสโอกาส เพราะแต่ถ้าเราไม่เต็มที่กับพระเจ้าพระเจ้าโอกาสที่เราจะละทิ้งความเชื่อมีอยู่กับเราแต่ถ้าเรา ไม่พระเยซูมาหาเราเราก็ไปหาเรไม 7 นะฮะ ภาษานะ I have forged the good fight นะคือต่อสู้สุดกําลังสุดความคิดเต็มที่ <c oughs> ให้กับผู้เล่นนะฮะเขาเล่นดีมากเพียงแค่โอกาสไม่เป็นของเรา นะสู้นะเช่นเราอาจจะแกร่งไม่พอเมื่อเรา ใช้เต็มที่พัฒนาต่อไปของพระทาน ทุกอย่างเนี่ยทําเต็มที่ทําสุดแรงสุดความ กำลังซึ่งมาจากกรุงความช่วยเหลือ โอนิอัสได้รับการสําแดงเอ่อทูตสวรรค์ให้ เพราะและเขาคือคนพิเศษของพระเจ้ายิวมักชอบคิดว่าพระและเขาทำดีเพื่อสังคม เขาแสวงหาพระเจ้าจนพระเจ้าได้ การประกาศข่าวประเสริฐคือสันติสุขใน เปลี่ยน back is low เป็นคริสตจักรฝากในที่ นะยึดพระเจ้าเป็นของตัวเองมาคิดจักก็ เพราะพระเจ้าสถิตอยู่กับเรานั้นก็เลยมองภาพภาพหนึ่งสถิตอยู่ด้วยพระเจ้าสถิตอยู่ แล้วเราซึ่งไปช่วยทําไงเราซึ่งเรานะเราอยาก ไม่ทําอะไรแล้วจะทําอะไรอ่ะแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ก็อึดอัดน่ะถึงเวลาขอ ข้าพเจ้าได้หรือไปให้ถึงจุดหมายปลายทางขันให้ 1 2 3 โดยการทําให้เต็มที่ทําสุดกําลังมันอาจ <Okay. S 1> แผนหน้าที่นะฮะผมบางทีผมก็นึกนะเพราะ Dai kää näi, kää näin, koska pyhä Jeesus on siitä. Työ ei se on pyhä Jeesus. Kristi ja pyhä Jeesus ovat yhdessä. Tämä on yksi asia, josta on tärkeää, että meidän on yhdessä. Tämä on yksi asia, josta on tärkeää, että meidän on yhdessä. Tämä on yksi asia, josta on tärkeää, että meidän on yhdessä. Tämä on แต่ถ้าเราไปไม่ถึงหลักชัยไม่แน่ตอบไม่ได้แต่ที่แน่คือ พระบพเจ้ารักษาความเชื่อไว้จริงๆคําว่า <c oughs> ว่าเราจะต้องทําอะไรอะไรที่สําคัญต้องรักษาไว้สําหรับผมผมชัดเจนผม แล้วทุกคนนี่ๆแล้วๆแต่ประเทศอื่นจัด องค์เยอะแต่ๆแต่ประเทศๆ ดูเหมือนทั้งๆไม่ๆนะฮะงานใหญ่ๆ ก็ชัดเจนว่าฉันจะสานงานต่อไป อย่าให้อะไรปฏิเสธการทรงเรียกและการทรงเรียก ส่วนตัวผมมีความคิดผม เราเป็นทาสเราเป็นทหารเราเป็นผู้ใต้ จริงมั้ยพอมีปัญหานี่ทําเต็มที่เลยแต่พอมี นะฮะแต่พอมีจริงๆทหารตำรวจจะเหมือนกันของเค้าคือเตรียมพร้อม ดังนั้นปัญหาบางครั้งช่วยทํา Mutta jos เต็มที่กับพระเจ้าแต่ถ้าไม่ ไม่คิดอะไรมากนะครับแล้วทําให้เรามองว่าไม่รู้อ่ะอนาคตอาจมัน และก็รักษาความเชื่อไว้ก็รักษารักษาการทรงเรียกของพระเจ้าไว้เชื่อไว้อย่าหวั่นไหวรักษานิมิตไว้ กันเปาโลก็พูดไม่แตกต่างกันมากนัก อาหารของเราคือทําตามน้ําพระทัยปดาผู้ พิธีมหาสิทธิเป็นส่วนหนึ่งของการ ทำให้เรารู้ว่าเราพระเจ้าเป็นเอกภาพ ตามการทรงเลือกของพระองค์ตามสิ่ง ขอบพระอาเมน